Mm ¶¶ -hmm. สักสิบปว่าปีก่อนเนี่ยมันมีลิงคล้ายๆว่าเป็นลิงเกเลนะถูกขับออกจากฝูงมันก็เลยมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวครัวแล้วก็ต่อหลังก็เลยมีลิงฝูงอื่นๆตามมาตอนที่ลิงพวกนี้มันตามมาก็ยังไม่ค่อยต่อแยกับคนเท่าไหร่นะ ยังคอยจดจดจ้องจ้องนะแต่ผ่านไปผ่านไปนี่กลายเป็นปัญหานะเพราะว่ามันก็จะมารักขโมยเอาอาหารเอาขนมนะอะไรที่คนกินได้นี่มันก็ขโมยเอาอหมดนะทั้งที่กำชับว่าอย่าไปให้อาหารมันนะแต่ว่ามันก็ ขโมยที่แรกก็แค่มาหยิบเอาพวกอาหารที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะตอล้มก็บุกเข้าไปในครัวทางพระแม่ชีก็พยายามที่จะเก็บข้าวเก็บของเก็บอาหารให้ดีนะเก็บใส่ลังบางทีก็ ใส่ไว้ในห้องมันก็รู้นะสามารถจะเปิดลังเอาของกินในนั้นได้เป็นนมกล่องก็ดีเป็นน้ำตาลก็ดีของขบเคี้ยวหรือเครื่องครัวใส่ทัพเปอรแวร์ไว้มันก็เปิดออกได้ ใส่ไว้ในลังที่มีเครื่องที่มีมีล็อกนะปิดเอาไว้นะมันก็เปิดออกได้ใส่ไว้ในตู้กับข้าวมันก็เปิดตู้ออข้าวได้เหมือนกันตอนนี้กำลังรอดูว่าเนี่ยใส่ไว้ในตู้เหล็กเนี่ยมันจะสามารถเปิดตู้เหล็กได้หรือเปล่ามันรู้ได้ยังไงนะ มันรู้ได้ก็จากการที่มันคอยเฝ้าดูนะคอยเฝ้าดูมันนั่งอยู่บนต้นไม้นะนั่งอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็กดูเวลาพระฉันเวลาโยมกินอาหารมันก็ดูมันก็ดูว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าดูว่าเราเผลอหรือเปล่าเท่านั้นนะถ้าเผลอนี่มันก็สามารถจะมาล้วงเอาอาหาร ที่วางไว้บนฝาบาทได้แต่ถึงแม่ไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยการที่มันเฝ้าดูอยู่บ่อยๆมันก็เลยรู้ว่าเราซ่อนอาหารไว้ที่ไหนแล้วมันยังรู้ต่อไปว่าจะเอาอาหารนั้นเนี่ยออกมาได้อย่างไรนะ ความรู้นะของลิงเนี่ยนะตอนนี้ก็เรียกว่ารู้เยอะมากจากก่อนเนี่ยเคยเอาเอาลวดเนี่ยขึงไว้ตรงหลังคาแล้วก็ปล่อยกระแสไฟอ่อนๆสิบสองโวลต์นนะทีแรกเนี่ยมันก็มันไม่รู้นะพอมันจับเข้าก็ช็อตนะ แต่ตอนหลังเนี่ยมันก็รู้แล้วนะว่าจะขึ้นไปบนกุฏิได้ยังไงนะโดยที่ไม่ต้องอไปแตะไปต้องอลวดที่มีไฟไอเรื่อง น, นี้มันฉลาดนะมันรู้เยอะแล้วที่มันรู้เยอะเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการคิดเอานะมันเกิดจากการที่เฝ้าดูนะดูมันมีเวลาที่จะดูอยู่ ไดนานมากเลยนั่งจ้องให้เราก็ทําอะไรของเราไปเราก็ไม่สังเกตนะว่าหลิงเนี่ยมันก็นั่งดูและการที่มันนั่งดูอยู่นานๆเนี่ยมันก็เลยรู้ความจริงนะว่าเราเอาอาหารไปซ่อนอย่างไรไปซ่อนที่ไหนเวลาเราเปิดตู้เวลาเราเปิดกล่องนะ เปิดลังมันก็รู้ว่าจะทํำยังไงนะแต่ก่อนมันไม่รู้นะเวลามันจะเปิดลังนะมันก็นั่งอยู่บนลังนั่นแหละบนฝาลังแล้วมันก็พยายามเปิดนึกภาพนะลิงเนี่ยมันนั่งอยู่บนฝาลังนะแล้วก็พยายามที่จะเปิดมันเปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ําหนักตัวมันทับอยู่นะแต่แต่ละมันก็รู้ว่าถ้ามันเพียงแต่ลงมาจากฝาแล้วมันก็เปิดนะ ฝาก็จะเปิดออกนะอันนี้ เ, เกิดจากการสังเกตเหมือนกันนะไอ้่องนี่มันมีความรู้เยอะซึ่งทำให้กลายเป็นปัญหานะของคนในวัดแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณานะว่าที่มันรู้ได้เนี่ยเพราะมันมันดูมันเฝ้าสังเกตและเวลาที่ลิงมันดูนะ มันสังเกตนะมันจะอยู่นิ่งมากเลยนิสัยของลิงเนี่ยมันชอบวิ่งนะชอบที่จะกระโดดโลดเต้นนะไม่ค่อยอยู่สุขนะเรามีภาพอย่างนั้นนะเวลานึกถึงลิงจนกระทั่งบางทีปูจจาระเปรียบว่าใจของเราเนี่ยเหมือนลิงนะคือไม่ค่อยอยู่สุขไม่ค่อยอยู่นิ่งแต่เวลามันจะเฝ้าดูนะ มันก็นิ่งนิ่งได้นานบางทีอาจจะนิ่งได้นานกับคนด้วยซ้ํำนะคนนี่เดี๋ยวนี้นิ่งเนะี่ยอาจจะนานไม่เท่าเท่าลิงนะมันสังเกตดูเป็นชั่วโมงชั่วโมงแนละ้วมันก็รู้นะรู้นิสัยใจคอของเรารู้พฤติกรรมของเราแล้วมันก็ใช้ความรู้นั่นแหละนะในการหาอาหารในการเอาตัวรอด ที่จริงการความรู้ในทางธรรมก็เหมือนกันนะความรู้ในทางธรรมหรือปัญญาในทางธรรมเนี่ยมนไม่ได้เกิดจากการคิดเอานะมันเกิดจากการที่ดูดูดูดนะเฝ้าดูหมั่นสังเกตดูอะไรนะก็ดูกายกับใจนี่แหละขณะที่เลงเนี่ยมันดูคน เรานักปฏิบัติเนี่ยเราก็ดูกายกับใจและเราการที่เราเฝ้าดูบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงของกายและใจความจริงเนี่ยมันเผยตัวออกมารวมทั้งความจริงเกี่ยวกับทุกข์ด้วยความจริงเกี่ยวกับทุกข์เนี่ยเช่นสมุทัยเนี่ยหรือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันก็สแสดงตัวออกมาให้เราเห็นถ้าเรามัน เฝ้าดูอยู่บ่อยๆเราดูด้วยอะไรนะเรงมันดูด้วยตานะแต่ว่าเราดูกายและใจเราดูด้วยตาในก็คือสติแต่ว่ามันเหมือนกันอย่างหนึ่งนะระหว่างการดูกายกับใจกับการที่เิงมันดูเราเนี่ยก็คือว่ามันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความนิ่ง ล อ, องนึกภาพถ้าริมกระโดดลดเต้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าอาหารเนี่ยของกินเนี่ยมันซ่อนอย่างไรเก็บอย่างไรและจะเปิดออกมาได้อย่างไรมันจะไม่มีทางรู้เลยถ้ามันวิ่งไปวิ่งมากระโดดลดเต้นแต่มันรู้ได้เพราะว่ามันนั่งนิ่งๆแล้วมันก็เฝ้าดูมันไม่คิดมันไม่ได้คิดเอาเลยนะ มันใช้การเฝ้าดูแล้วมันก็รู้นะอันนั้นเป็นการรู้เพื่อความอยู่รอดนะเพื่อการหากินนะแต่รู้สําหรับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือรู้ความจริงที่จะออกจากทุกข์นะแล้วการรู้ความจริงเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากการคิดเอาไม่ได้เกิดจากการอ่านนะ แต่เกิดจากการที่ดูเฝ้าดูกายและใจดูความทุกข์ที่เกิดกับกายดูความทุกข์ที่เกิดกับใจเวลาสุขก็ดูเหมือนกันนะแล้วจะดูได้มันก็ต้องนิ่งนะการที่เราจะเห็นความจริงของกายและใจจากการเฝ้าดูได้เราต้องนิ่งนะถ้าจะเราวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยหรือจิตเราไม่นิ่งพอเนี่ย ไม่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของกายและใจจนเกิดปัญญาได้ปัญญาในทางโลกเนี่ยต้องอาศัยการคิดเอาและเดือวนี้การสอนในโรงเรียนก็สอนให้เรารู้จักคิดหาวิธีคิดหลากหลายแงย่มุมหลายวิธีการเพื่อทําให้เกิดปัญญาแต่ว่าปัญญาในทางธรรมเนี่ยนะ มันต้องอาศัยการจะรู้ได้ต้องอาศัยการการเฝ้าดูนะไม่ใช่การคิดเอาดูอะไรคือดูของดูของจริงนะไอคิดเอานี่มันปรุงแต่งปรุงแต่งไปก็ได้แต่การที่เราจะมีปัญญาเห็นความจริงเข้าใจความจริงที่เราสัจธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราดูของจริงนะ ดูไปดูไปมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาเห็นความเป็นไปของกายเห็นความเป็นไปของใจแล้วเข้าใจถึงเรื่องความไม่เที่ยงของกายและใจเข้าใจตันักเห็นชัดว่ากายและใจนี่มันเป็นทุกข์หมายความว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันไม่คงทนอันนี้จังคือไม่คงที่ทุกขังคือไม่คงทน นะแล้วก็เห็นต่อไปจนถึงเห็นว่าอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คงที่ไม่ค ง, งทนไม่ใช่ตนเนี่ยอันนี้คือความจริงที่จะปลดเปื้องใจเราให้เป็นสระนะเพราะว่ามันทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่ น, นในสิ่งใดๆพราะรู้ว่ามันยึดมั่นไม่ได้พอยึดมั่นมีแต่ทำให้เป็นทุกข์นะอันนี้คือความจริงนะซึ่ง จะเห็นได้อย่างจ่มแจ้งเนี่ยมันไม่ใช่คิดเอาหรือฟังเอานะที่อาตมาพูดเนี่ยมันก็เป็นแค่คำพูดนะยมฟังไปก็ยังไม่เกิดปัญญาหรอกนะมันได้แค่สัญญานะสัญญาในเรื่องอันนี้จังทุกขงังรัตตาแต่ว่าต้องดูนะหมั่นเฝ้าดูนะดูกายดูใจนยะ เราดูแล้วน้ำก็จะเห็นความจริงและเห็นความจริงก็ทำให้เกิดปัญญาคกอความรู้ขึ้นมาความรู้ในทางธรรมอย่างที่บอกนะไม่ได้เกิดจากการคิดนะหลวงปู่ดูลนะัตตุโลท่านบอกว่าเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะจะรู้ได้ต้องหยุดคิดนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะจะรู้ได้ต้องหยุดคิดแต่ ความรู้น่้จต้องอาศัยการคิดเหมือนกันนะอันนี้ท่านพูดตบท้ายไว้ต้องอาศัยการคิดเหมือนกันนะนนนออคือนะคา่คาว่าการคิดนั้นเป็นเชือ้อแต่ว่าถ้าจะรู้อย่างจริงๆรเนี่ยรู้อย่างเห็นแจ้งเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่หยุดคิดวางความคิดแล้วก็มาดูนะดูกายและใจงั้นการปฏิบัติที่เราปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะมันก็มีแค่เรื่องเดียวนะคือการ มันนะตามดูรู้กายและใจไอ้คําว่าตามดูเนี่ยไม่ได้ไหมายความไปจ้องดูติดๆิดติ ด, ต, ด, ต, ดติดนะแต่หมายถึงว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่อยไปรู้ทีหลังอย่าไปดักจ้องก่อนที่มันจะเกิดความคิดมันยังไม่เกิดก็จะไปดักจ้องมันต่อเมื่อมันคิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้ทันทีหลังอันนี้ก็คือรู้ตามการปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนอกไปจากการ ดูหรือเห็นของจริงยิ่งที่มันยิ่งมันเป็นตัวทุกข์ด้วยเนะี่ยหรือยิ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนะี่ยเรื่องตั้งแต่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายและใจเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งน่าดูนะครูเจ้าตัดว่าในทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้นี่ฉันใช้ว่าปริญญานะปริญญาคือว่ารู้รอบนะคือรู้ทั่วถึง เราจะรู้ได้เนี่ยนะก็ต้องดูนะเวลากายทุกมันเป็นยังไงเวลาใจทุกมันเป็นอย่างไรนะเวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยที่กายที่ขาใจมันเป็นอย่างไรนะใจมันเกิดความไม่พอใจเกิดโทสะเกิดความขุนเคืองเกิดอาการผักใสนั่นแหละของดีเนะี่ยที่เราจะต้องดูมันนะ ไม่ต้องไปผักสายมันไม่ต้องไปหันหลังให้มันนะเพราะถ้าเราผักสายมันนะเราก็จะโดนมันฉุดมันลากไปกลายเป็นผู้ทุกไปนะแทนที่จะดูแล้วเห็นก็กลายเป็นเข้าไปเป็นนหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เน้นอยู่เสมอนะวะ่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นจะดูเนี่ยถ้าดูแล้วมันก็เห็น แต่ถ้าดูไม่เป็นมันก็เข้าไปเป็นนะคือความโกรธเนี่ยความเกลียดความเศร้าถ้าเราดูมันนะเราก็เห็นเออมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเราเห็นความไม่เที่ยงของมันแต่ถ้าดูไม่เป็นนะไปดักจ้องเพล่เพล่ก็โดนมันดูดไปแทนที่จะเห็นความโกรธก็เป็นผู้โกรธแทนที่จะเห็นความเศร้าก็เป็นผู้เศร้า เวทนาก็เหมือนกันนะถ้าเราถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราก็เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเห็นความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับขาเท้าแต่ถ้าดูไม่เป็นนะมันก็เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยซึนะ่ง ส, ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่านะแทนที่จะดูแบบว่ารู้เฉย นะมันไม่ยอมเฉยอ่นะมันจะมีความรู้สึกอยากจะเข้าไปผักใสถ้าเป็นถุกทุกขเวทนาแต่ถ้าเป็นสุขเวทนาก็อยากจะไปดื่มดำนะไปครอบครองไปยึดติดนะรู้เฉยๆนะรู้ซื่อๆก็คือไม่ผักใส่แล้วก็ไม่ไ ข, ขว่คว้าหรือยึดติดนะ เป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ไม่ผักสาอารมณ์ที่เป็นกุศลน่ายินดีก็ไม่ไขวคว้าไปยึดครองอันนี้ต้องอาศัยการดูเฉยๆนะดูนิ่งๆนะขุจาร่านเปรียบว่าการการเจ ร, เริญสติปัฏฐานเนี่ยก็คือเปรียบเส ม, มือนกับการอยู่บนหอคอยแล้วก็ดูแม่น้ำที่มันไหลผ่านข้างหน้า ไหลผ่านเบื้องล่างนะหรือจะเรียกว่ายือนอยู่นั่งอยู่ริมตลิ่งก็ได้แล้วก็ดูแม่น้ํไหลผ่านนะคือไม่ไปข้องเกี่ยวกับมันเพียงแค่ดูเฉยๆนะแล้วถ้าเราดูอยู่นิ่งๆนะมันก็จะเห็นความจริงเกี่ยวกับกระแสน้ำนะเหมือนกับที่ลิงเนี่ยมันอยู่เฉยๆมันดูหมันเฝ้ามองบ่อยๆมันก็เห็นความจริงมันมีความรู้นะ ที่จะใช้ประโยชน์ในการหาของกินนะเพื่อความอยู่รอดของมันได้มนุษย์เราเนี่ยคนเราสมัยเนี่ยใช้ความคิดมากไปไม่ค่อยใช้ใจหรือใช้สติไปรับรู้ความรู้สึกคนสมัยนี้เนี่ยนะจำนวนไม่น้อยเลยนะบอกไม่ได้ว่าเตียงรู้สึกอย่างไรตอนนี้รู้สึกอย่างไรเนี่ย บอกไม่ได้นะว่าตอนนี้กำลังโกรธเบื่อเหงาเสงีเครียดตอบไม่ได้ว่ารู้สึกอย่างไรตอนนี้ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเรานะแต่ว่าพูดไม่ถูกบอกไม่ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะใช้ความคิดมากไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้ใจหรือไม่ค่อยใช้สติเนะี่ยไปรับรู้ความรู้สึก บางทีถึงขั้นกดข่มมันนะใช้ความคิดเนี่ยไปกดข่มอารมณ์ต่างๆจนกระทั่งเรียกว่ามันมืดบอดนะไม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองมีหมอคนหนึงก็เล่าให้ฟังนะว่าเคยไปทดลองนะเกี่ยวกับเรื่องสมอง ว, ว, วัดวัดวัดวัดปฏิกิริยาของสมองโดยการให้อาสาสมัครเนี่ยดูภาพเป็นภาพนิ่งก็มีภาพเคลื่อนไหวหรือภาพภพยนต์ก็มีนะเป็นภาพที่น่ากลัวเป็นภาพที่รุนแรงนะอาจจะเป็นภาพศพภาพคนถูกทำร้าย ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นคนที่เก่งนะเป็นนักวิชาการก็มามาเป็นอาสาสมัครก็ก็ดูภาพเนี่ยแล้วขณะเดีวยวกันก็มีการตรวจวัดสมองด้วยใช้เครื่องสแกนสมองบอกว่าพอฉายไปสักพักเนี่ยหัวใจของผู้หญิงคนนี้มันเต้นเร็วนะความดันเนี่ยขึ้นสูงผิดปกติผู้ทดลองซึ่งเป็นหมอก็เห็นว่า คงต้องหยุดแล้วละ่ะเพราะว่าอาสาสมัครคนนี้เนี่ยเขามีปฏิกิริยาเนี่ยเหมือนกับว่ามีความกลัวนะก็ดูจากความดันดูจากหัวใจที่เต้นเร็วก็หยุดสามให้หยุดฉายหยุดทดลองเรวผู้หญิงคนนี้เนี่ยสงสัยว่าหยุดทำไมเพราะว่าฉันสบายดีฉันไม่เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นกรณีที่แปลกนะ คือเจ้าตัวเองเนี่ยมีความกลัวนะหัวใจมันฟ้องความดันมันฟ้องว่าเจ้าเจ้าตัวเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีความกลัวแต่เธอเนี่ยกลับไม่รู้สึกว่าเธอมีความกลัวเลยเธอไม่รับรู้อารมณ์ของตัวนะก็เลยบอกว่าฉันสบายดีไม่เป็นอะไรอันนี้เรียกว่าตัวเองเนี่ยไม่รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ปฏิเสธอารมณ์ของตัวเองแล้วก็พบต่อไปว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีปัญหานะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานถือแม่เป็นคนขยันนะแต่เพื่อนร่วมงานไม่มีใครชอบเลยเพราะว่าแกเนี่ยไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคนอื่นเลยทำตามอารมณ์ทำตามใจเป็นคนที่แห้งแล้งเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีน้ำใจ แล้วตอไม่รับรู้นะถึงความรู้สึกของคนอื่นจรทีแรกคนก็นึกว่าเนี่ยหมอคนเนี้คิดว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยแกเพื่อนเพื่อไม่ชอบคงเพราะแกค ง, งพูดมากหรือว่าแกคงเพราะไม่มีน้ำใจแต่พอเจอเหตุการณ์นี้แกก็เลยรู้เลยนะหมอนี่ก็เลยรู้เลยนะว่าเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยแกไม่รับรู้อารมณ์ของตัวเอง เลว่าแก่มืดบอดต่ออารมณ์ของตัวเองควรที่มืดบอดต่ออารมณ์ของตัวเองเนี่ยหรือความรู้สึกของตัวเองเนี่ยจะไปรับรู้อารมณ์ ค, มมมความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างไรเนี่ยเมื่อไม่รับรู้อารมณ์ของความรู้สึกของคนอื่นทําอะไรไปคนอื่นเดือดร้อนก็ไม่รับรู้ก็ไม่ได้เฉลียวใจนก็เลยทําตัวเรียกว่าหน้าร้าหน้ารังเกียจ เ, เพื่อนเพื่อนก็เลยไม่อยาก ค, คบน อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะแต่ที่จริงก็มันจะว่าแปลกก็ไม่เชิงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้เยอะคือไม่รู้จักอารมณ์ของตัวไม่รับรู้อารมณ์ของตัวบางคนก็รู้หน้าตัวเองทุกตัวเองไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีความสุขนะแต่ไม่สามารถจะบอกหรือรู้ว่าความทุกข์นั้นเนี่ยเป็นความทุกข์แบบไหนหมอคนนี้แกก็เล่าอย่างเกันนะว่าแกแกก็รู้จัก หมอที่ทางานในโรงพยาบาลหลายคนนะโดยเพาะหมอที่เพิ่งจบใหม่เรือกหมอฝึกหัดก็ได้คนเหล่านี้ทํางานหนักบางทีเข้าเวรดึกติดต่อกันหลายหลายวันแล้วคนเหล่านี้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งก็จะล้าก็จะเครียดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนเหล่านี้พอเครียดแล้วเนี่ยแทนที่จะหยุดพัก กลับไปหาของกินผูฟันทำครัวยืนเดินนั่งนอนคู่ขาเหยียดขานะมองไปข้างหน้าเหลือไปข้างหลังรวมทั้งหายใจกับพิบตากืนน้ำลายทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมันเกิดขึ้นกายทำอะไรก็ดูมันรู้ ใจเกิดอะไรขึ้นก็รู้ทันมันมันคิดมันเผลอคิดไปก็รู้ทันไม่ต้องไปถึงกับไปควบคุมนะควบคุมใจว่าไม่ต้องคิดนะไม่ต้องไปกดข่มมันนะเพียงแค่เราดูและเห็นของจริง เ, เมื่อเราหมันดูเห็นของจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจ อย่างต่อเนื่องในสุดก็จะเห็นความจริงหรือสัจธรรมนะและสัจธรรมหรือความจริงเนี่ยถ้าถ้ารู้เนี่ยมันก็ทำให้จิตเป็นอิสระนะทำให้เกิดความรู้เบิกบานขึ้นมารู้อย่างอื่นเนี่ยรู้แล้วบางทีมันเกิดกิเลสนะเกิด ความหม่นหมองนะเกิดความเศร้าหรือเกิดความหลงตัวลืมตนนะถ้าเป็นเรื่องรู้ทางโลกนะหรือไปรู้ความจริงบางอย่างแต่ถ้ารู้ในทางธรรมเนี่ยรู้แล้วเนี่ยมันตื่นมันเบิกบานนะเป็นความรู้ที่พิเศษนะคือรู้แล้วเนี่ยตื่นแล้วก็เบิกบานผู้ตุจ้าจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แต่ถ้ารอย่างอื่นเนี่ยนะบางทีรู้แล้วหลงนะเช่นคนที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็จะหลงตัวลืมตัวว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องดูถูกคนที่เรียนไม่จบดูถูกคนที่เรียนแค่มสสาม 3, มสามมหกหรือว่าไม่จบปริญญาหรือถูกดูถูกคนที่เรียนแค่ปริญญาตรีนะ อันนี้รู้แล้วมันยึดเกิดความหลงตัวลืมตนหรือรู้บางอย่างเนี่ยรู้แล้วเศร้าเสียใจรู้ว่าคนรักนะตายจากไปหรือคนรักนอกใจเนี่ยอันนี้ก็เกิดความกโกรธนะอาจจะสติแตกแต่ถ้ารู้นะความจริงนะที่เราสัจธรรมเนี่ยรู้แล้วเนี่ยจิตจะเป็นอิสระโปร่งโรง่งนะ พุโทโธเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นให้เรานะ้ามันมันเติมความรู้ให้กับใจของเรานะด้วยการเฝ้าดูเฝ้าดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจดูโดยที่ไม่ผักใสหรือไขว้คว้ายาึดครองดูโดยไม่เลือกที่รักมาที่ชังคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้นะ หลวงพ่อเขียนจะบอกคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะมันเกิดความสบายก็รู้นะไม่ไปเคลิมคล้อยกับมันมันเกิดความไม่สบายก็รู้ไม่ไปผักสมันอากาศหนาวก็รู้ว่าใจเนี่ยรู้ว่าใจเนี่ยเกิดความอไม่พอใจขึ้นมาก็เห็นมันเฉยๆอากาศร้อนบางทีใจก็ไม่ชอบ มันไหวก็เพิ่มเอาก็รู้มันอากาศเย็นสบายใจมันเพลินยินดีก็รู้มันแล้วสตินในช่วยปรับให้ความยินดียินร้ายในการเป็นปกตินะความปกติก็คือความสงบความเย็นและความสงบความเย็นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหล่อเลี้ยงทําให้เรามีกําลังใจในการเฝ้าดูจนกระทั่ง เกิดปัญญาเห็นความจริงในที่สุดให้เราตั้งใจนะทำความเพียรนะเพียงแค่ดูอย่างเดียวเนี่ยถ้าดูเป็นเนี่ยมันจะเห็นทางพ้นทุกได้เราคำนึงภูเก็ต น, น, นี้กราบครบ